ใครที่ได้ไปยุโรปทางตอนเหนือนะเช่ man, Holland, นเยอรมันฮอลแลนด์เดนมาร์กเนี่ยจะรู้สึกแปลกตาอยู่อย่างหนึ่งนะก็ะคื อ, อคนใช้จั ก, กรยานกันเยอะมากหวังรถเนี่ยไม่ได้ขับขั้งนะไปที่ไหนก็เห็นจั ก, กรยานโดยเฉพานะฮอลแลนด์นีฮอลแลนด์เนี่ยอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยถือว่าเป็น ไม่ใช่แค่เมืองหลวงของฮอลแลนด์นะแต่ว่าเป็นเมืองหลวงของจักรยานนะเพราะว่าผู้คนเนี่ยขี่จักรยานกันทุกเพศทุกวัยทุกสถานนะไม่ใช่แต่หนุ่มสาวนักศึกษาเท่านั้นนะจะเป็นนางแบบดาราหรือว่าผู้จัดการนะ CEO ก็ขี่จักรยานกันนะเพราะเหตุผลหลายอย่างนะอย่างแรกคือว่า ในเมืองหลวงเนี่ยหรือว่าในเมืองหลายเมืองของฮอล แ, แลนด์เนี่ยรวมทั้งหลายเมืองในยุโรปเนี่ยถนนมันเล็กแคบนะหาที่จอดรถยากนะใครขับรถนี่ก็จะพบว่ามันมีระเบียบกฎเกณฑ์เยอะนะถนนนี้ผ่านได้แต่ว่าห้ามจอดขนส่งสินค้าได้แต่ว่าห้ามรับคนนะหรือว่าบางทีก็ห้ามรถ ผ่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขี่จัก ร, รยานก็เป็นวิธีการที่สะดวกไปไหนมาไหนถ้าขี่จัก ร, รยานก็ถึงที่หมายได้เร็วแล้วก็รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเขาก็หาที่อำนวยความสะดวกให้กับรถจัก ร, รยานได้เยอะแยะเช่นมีไบค์เลนะทางจัก ร, รยานโดยเฉพาะ ขณะที่การขับรถนี่นะเหมือนกับว่าจะมีปัญหามากมายทั้งค่าน้ำมันทั้งค่าจอดรถนะค่าจอดรถนี่แพงมากเนี่ยมีคนไทยไปจอดรถนะหน้าบ้านเพื่อนนะออกมาอีกทีโดนปรับไปสามพันะ 3, กว่า บ, บาทนะประมาณเจ็ดสิบยูโรนะเจ็ดิยูโรแปดิยูโรก็สามพันกว่า บ, บาทนะไม่กี่ชั่วโมงเองโอ้นะ แค่เด็กกันเนี่ยเขาก็มีค่านิยมที่ไม่ไม่ค่อยอวดร่าอวดรวยกันนะคนยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมีค่านิยมนี้ไม่อวดรวยนะไม่ได้โชว์ความร่ํารวยด้วยการขี่รถเบนซ์หรือว่าขี่วอลโว่นะจะไม่เหมือนคนจีนคนเอเชียหรือว่าคนไทยเนี่ยก็จะมีค่านิยมแบบนี้เยอะอวดรวยนะพวกนี้นี่เวลาไปกินอาหารเนี่ยกลางวันเนี่ยเขาหลายคนก็พกอาหารไปนะทําอาหารจากบ้านไป แล้วก็หอ่อใส่ปิ่นโตรหรือว่าทัพเปอรแวร์เอาไปกินในที่ทำงานตอนเที่ยงไอ้ประเภทว่ามากินนอกบ้านนะไปกินอาหารกลางวันตามพัตคาหรือว่าแม้กระทั่งในโรงอาหารของบริษัทนี่เขาก็ไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงนะเพื่อตามานี่เป็นวิศวกรของ G M นะใหญ่มากนะเวลาไปกินเวลากินอาหารกลางวันก็ทากับข้าวจากบ้านไปแล้วก็ไปกินกัน กินในสำนัก ง, งานนั่นแหละนะหัวหน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยกเว้นว่ามีแขกมาถึงจะพาไปกินในโรงอาหารที่เรียกว่าแคนทีนหรือพาไปกินข้างนอกนะนานๆทีกลับ<อ>มาพูดถึงเรื่องรถจักรยานเนี่ยนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะถ้าเป็นเมืองถ้าเป็นเมืองกลางเมืองเราไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงรถยนต์ถ้าเป็นคนเดินเท้าสิ่งที่ต้องระวังก็คือรถจักรยานนะจะเดินข้ามถน น, นเนี่ยนะไม่ค่อยห่วง รถรถเก่งเท่าไหร่นะแต่ห่วงรถจักรยานว่าจะมาชนเรานะนั่นเวลาจะข้ามถนนก็ต้องดูซ้ายดูขวาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นถนนเล็กๆนะถ้าเป็นแบบตรอกซอกซอยบ้านเราเนี่ยเดินสบายเลยจะเดินซ้ายเดินขวาก็ได้แต่ถ้าในยุโรปโดยเฉพาะในฮอลแลนด์นี้ก่อนที่จะเดินถ้าเดินกลางถนนนี่เขา mm hmm. เขาเขาจะต่อว่าเลยนะเพราะว่ามาไปขวางทางรถจักรยานเขา เวลาเดินเรื่องเดินริมถนนแล้วเดินจากริมถนนซ้ายไปริมถนนขวานี่ไม่ใช่เดินได้เลยนะต้องดูก่อนดูซ้ายดูขวาก่อนนะโดยพอดูข้างหลังว่ามีรถจักรยานไหมตอกซอกซอยเล็กๆแคบๆนี่จะเดินตามสบายก็ไม่ได้นะซึ่งมันก็ดีเหมือนกันทําให้เดินอย่างมีสติเดินแบบประมัดระวังนะเราจะเดินข้ามเลนนะก็ต้องเหลียวซ้ายแลขวาดูหน้าดูหลังก่อนนะ ไม่งั้ก็จะโดนรถจักรยานชนแล้วก็แปลวนะ่าคนที่นั่นเขาก็ไม่ค่อยใช้กลิ่นเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยใช้กลิ่นนะจักรยานเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาจะหลบคนนี่เขาก็เพียงแต่เขาไม่ใช่เขาไม่กดกลิ่นนะเขาก็เพียงแต่เบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะแต่ถ้าคนไทยเ่ยไปที่นั่นเนี่ยไม่ไม่ระวังนี่ก็อาจจะโดนชนได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ไปนานๆก็จะคุ้นเคยนะที่มาดริดเนี่ยประเทศสเปนเนี่ยเขา มีการส่งเสริมให้คนใช้จั ก, กรยานนะถึงแม้ว่าเมืองที่นั่นจะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็คนใช้รถเยอะแต่ตอนนี้ก็มีคนใช้จั ก, กรยานมากขึ้นเพราะว่าเขามีการส่งเสริมเช่นให้เช่าจักรยานนะตามย่านการค้าตามเมืองศูนย์การค้าที่จ่อแจนี่เขาจะมีเขาจะมีจักรยานให้เช่านะอยากได้อยากขี่จักรยานก็นะก็ยอดเหรียญ น, นะแล้วก็ขี่จักรยานไปได้เลย เสร็จแล้วก็จะไปจะคืนจั ก, กรยานนี่ก็ไม่ต้องกลับไปที่เดิมนะตามที่ต่างๆก็จะมีที่รับคืนจั ก, กรยานนะก็จั ก, กรยานไปคืนนะแล้วก็วิธีนี้ก็ทําให้คนใช้จั ก, กรยานกันเยอะมากนะเพราะมันสะดวกอันนี้เมืองไทยเราเนี่ยนะตอนนี้ยังใช้จั ก, กรยานกันน้อยนะเพราะว่าทางจั ก, กรยานก็ไม่ค่อยมีมากแล้วก็ที่มีก็มักจะไม่ได้รับการเคารพนะอย่างเช่นในกรุงเทพเนะี่ยมี มีไบ e l เลนอยู่นะแต่ว่าบางทีก็มักจะมีรถประจอดพอไปจอดเข้ามันก็ใช้ไม่ได้สินะถ้าจะเข้าถนนใหญ่ก็อันตรายนะประโยชน์ของจักรยานอันหนึ่งที่ทำให้คนนิยมใช้ก็คือมันปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะนะเดี๋ยวนี้มลภาวะนี่เป็นเรื่องที่คนในยุโรปนี่เขาให้ความสำคัญมากนะ การใช้ไฟฟ้าก็พยายามที่จะใช้โซลารเซลล์กันให้มากนะในการที่จะใช้น้ํามันเผาเพื่อทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้าหรือว่าใช้โรงงานนิวเคลียร์นะเขาก็เลิกใช้กันล้อย่างเช่นในเยอรมันนีเขาก็งดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะงดใช้ไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ก็คือพอมันหมดอายุก็ไม่ต้องสร้างละ เราก็ไม่ต้องอพอไม่มีสร้างใหม่แล้ ว, วของเก่ามันก็หมดอายุนะก็เป็นการว่าหยุดใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็มาใช้พลังงานลมมาใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อมทางอื่นนะอันนี้มันก็เป็นเป็นประโยชน์นะกับผู้คนนะที่ได้อาศัยธรรมชาติที่ปลอดภัยสะอาดนะเมืองไทยเราเนี่ยก็ไปดูงานกันเยอะนะ จากประเทศยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างฮอลแลนด์เนี่ยนะเขาเก่งมากในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลคลองเนี่ยนะหลายคลองเลยนะมันอยู่เหนือหัวคนนะบางทีเดินไปเดินไปเห็นถนนสูงสูงเนี่ยถามเาว่านั่นอะไรเขาบอกคลองนะ นะคลองคลองอยู่เหนือหัวคนเนี่ยสี่ห้าเมตรก็มีบ้านเราคลองเนี่ยมันอยู่มันอยู่ต่ำใช่ไหมอยู่ต่ํากับพื้นแต่ที่ฮอนดันนี่คลองเนี่ยมันอยู่เหนือพื้นนะเพราะว่าผู้คนนะบ้านเรือนผู้คนเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลเขาทํางั้นได้เพราะอะเพราะาเขามีวิธีการระบายน้ําระบายน้ําออกทะเลนะโดยอาศัยคลองนี่แหละฮอนดันนี่เป็นประเทศที่จเจริญมากนะ จเจริญ ม, มาสามสี่ร้อยปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเขาไม่ทุบ ไ, ไ, ไม่ถมคลองกนะรุงเทพของเราเนี่ยพอจเจริญเข้าจเจริญเข้าเป็นยังไงถมคลองนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เหลือคลองแล้วสีลมแต่ก่อนนี่ก็เป็นคลองนะถึงชื่อว่าสีลมก็คือลงสีลมลงสีมันอยู่ริมคลองเป็นลงสีที่ใช้ลมเนี่ยนะหมุนนะเดี๋ยวนี้หาคลองไม่เจอหลายหลาย ถนนหลายสายเนี่ยนะมันเคยเป็นคลองมาก่อนนะแต่ของเรายิ่งเจริญเนี่ยเรายิ่งถมคลองเพื่อสร้างถนนเสร็จแล้วเป็นยังไงรถติด ก, กรนาเพราะพอใช้ถนนเยอะแล้วก็ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องขนส่งสาธารณะก็รถเก่งก็เลยใช้กันเยอะแต่ว่าฮอลแลนด์นี่เขาเจริญยังไงเขาก็ไม่เคยถมคลองนะแล้วเขาก็ยังใช้คลองอยู่แต่ก่อนใช้คลองเพื่อการคมนาคมขนส่ง นะตอนหลังก็ใช้น้อยลงนะแต่ก็เอามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวได้คนก็ใช้เรือเนี่ยนะในการเดินชมนั่งชมเมืองแต่ตอนนี้หลายเมืองนี้เริ่มนะเริ่มคิดจะกลับมาใช้คลองเนี่ยเพื่อการคมนาคมขนส่งแล้วอย่างเช่นไปอูเทรกเนี่ยอูเทรกนี่ก็เป็นเมืองที่มีคลองอยู่รอบเมืองเลยแต่ก่อนนี่เอาไว้ใช้ขนของนะบ้านเรือน มันก็อยู่ริมคลองก็สะดวกตอนหลังใช้คลองน้อยลงนะเพราะว่าใช้ถนนมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาใช้หันจะมาใช้คลองเพื่อการขนส่งสินค้าแล้วแล้วคลองก็มีประโยชน์นะในเรื่องการระบายน้ำนะก็ทำให้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะอย่างในฮอลแลนด์นี้เกิดขึ้นน้อยมาก ท, ทั้งที่ธรรมชาติมันไม่เอื้อมนวยเลยนะ แต่บ้านเราเนี่ยเรามีคลองที่ใช้ในการระบายน้ำแต่ว่าถมซะตอนนี้ก็เลยเกิดน้ำท่วมแล้วคนไทยก็ไปดูงานที่ฮอลแลนด์กันเยอะนะแต่ว่ามาถึงกลับมาบกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้ทำอะไรนะที่จะช่วยทำให้การระบายน้ำในเมืองไทยดีขึ้นนะนะพอถึงน้ำท่วมเขาก็ตอนนี้เดือดร้อนกันแล้วก็จะเดิเดร้อนมากขึ้นเพราะว่าแผ่นดินมันสุดลงไปเรื่อยๆในใน กรุงเทพเนี่ยสูบน้ำบาดาลกันมากแผ่นดินก็เลยทรุดลงทรุดลงทรุดล ง, ดลงน้ําท่วมก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะเราจะอยู่กันยังไงนะเพราะว่าวิกฤตมันรอยอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นรถติดแล้วก็อากาศเป็นพิษนะอันนี้ก็คนเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเอาลองเอามาเปรียบเทียบกันดูนะมันก็จะเห็นความแตกต่างได้มากทีเดียวแล้วก็เตรียมรับ